ขอเจริญพรแด่บรรดาญาติโยมทุกท่านที่ได้มาร่วม เพื่อเป็นการเป็นฆานสรรเสริญคุณของพุทธเจ้าแล้วเราก็จะได้ฟังธรรมะกันอ่าเพื่อให้ สันติสุขเมื่อเราได้รู้จักหนทางเดินมามามา 38 มาแสดงให้ คือมงคลที่สองไม่คบคนพาลมงคลที่ 2 ธรรมมงคลก็หมายถึงสิ่งที่จะนํามาซึ่งความสุข ถ้าเราไม่ได้ทําดีแล้วมันก็ ก็คือหรืออยู่ในประเทศอันสมควรที่ข้อ เป็นปฏิรูปประเทศวาสโสหรือว่าประเทศที่ถึงถิ่นฐานหรือว่าประเทศที่มีพระพุทธศาสนานะคือถ้าเราเป็นพุทธบริษัท 4 อยู่ในถิ่นฐานหรือว่าอยู่ใน <c oughs> อยู่ในประเทศที่มีพระพุทธศาสนานั้นเราก็จะได้เห็นพระ ได้นําเราให้รักษาศีล 5 รักษา 8 เจริญสมถะวิปัสสนาเหล่านี้เป็นต้น เพราะเป็นโอกาสที่หาได้การได้เกิดมาเป็นมนุษย์หนึ่งอย่างยิ่ง <c oughs> ที่เราจะมาประสบพร้อมๆกันเป็นโอกาสที่หาได้ยากอย่างยิ่งเดียวในชีวิตของนานหนักๆ <c oughs> <c oughs> เพราะบางพระภิกขุเนี่ยเป็นกับที่ว่างจากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าคือไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ในโลกเพราะการบําเพ็ญบําเพ็ญ นั้นบางภัตตะกลับจึงห่างจากการตรัสรู้ของเมื่อไม่ในโลกก็ไม่มีโอกาสที่เราจะได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าหรือจากพระสงฆ์ทั้งหลายซึ่งเป็นสาวกของพระหรือว่าบางครั้งเนี่ย <c oughs> เราเกิดมาได้พบพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ย แต่พุทธศาสนาหรือว่าแต่เราไม่มีศรัทธาในการเราเกิดมาเป็นมนุษย์นะอ่าเราไม่พบพระ <c oughs> นั้นการฟังธรรมจึงจัดว่าเป็น นั่นเราจะเห็นว่าเวลาที่เราชวนคนมาฟังเทศฟังธรรมคนๆวันที่พระ <c oughs> คนก็จะคุยกันก็จะคุยกันแต่ว่าไม่สนใจใน นั่นเราก็จึงหาโอกาสที่จะ <c oughs> ส่วนมีอยู่มากมายมหาศาลที่เที่ยวสนุกสนานเฮฮาอยู่ภายนอกมีอยู่มาก จะมีจํานวนน้อยอ่านั้นการฟังธรรมก็จึงเป็นการหาได้ยากในโลก ก็ไม่ใส่ใจในการฟังเออพูดคุยกันเรียก ความกังวลต่างๆในการงานที่เราทําอยู่ <c oughs> แล้วความอย่างข้อที่ 3 ก็คือการได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์อืมเอ่อการได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์เนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่หาได้ยากคือการที่เราจะมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ใช่ง่ายๆหรือว่าไม่ใช่เรามาเป็น ว่าพอเกิดแล้วเดี๋ยวตายแล้วเดี๋ยวก็มันเกิดเป็นมนุษย์อีกหรือว่าเกิดเป็นอะไรก็จะเกิดอยู่อย่างนั้นนั่นก็ แต่ความจริงแล้วแต่ความจริงแล้วเนี่ยการที่เราจะมา ถ้าเราก็รักษาคุณธรรมไม่มีเพราะเราเคย 5 เราก็รักษาคุณธรรมความ 10 คือมีศีลแล้วก็เอ่อทำใจไม่ให้โลภ บางคนเนี่ยเกิดมาแล้วอ่าเป็นคนสวยบางคน อ่าในการที่เราจะไปเป็นมนุษย์ไม่ สร้างเหตุปัจจัยให้เป็นเทวดาเป็นพรหมเราก็ไปเกิดเป็นเทวดาเป็นพรหมสร้างเหตุ มีเอ่อพระสูตรสุดหนึ่งที่ของโก 갈ิก ภิกษุที่ไปกล่าวว่าเป็นผู้มี เออคิดว่าพระสารีบุตรนั้นอืมโลภอ่ามีความโลภจักขุมีมี <c oughs> ในตัวพระสารีบุตรกับอโมคคัลลนะอืม แต่เมื่อจะกลับแล้วเนี่ยโกคาลิกก็บอก เพื่อให้คนเอาของมาถวายในหมัวเมาในของทั้งหลายมากมากมาย เอามาถวายพระสารีบุตรพระสารีบุตรก็คิดว่าของเหล่านี้ ไม่ได้ปรวนาไว้เนี่ยของที่ได้มามานั้นก็ไปเนี่ยพระโกคาลิกที่พระสารีบุตร ตนก็เลยไม่ได้ราบสักคาลัง เมื่ออุปสาริกับตานี้ชาวนี้ชาวบ้าน ต้องตกเป็นของเราอืมนั้นเอ่อเป็นผู้ไม่ยินดี 응, ที่ตนเองให้บวชได้บวช คราวนี้ชาวบ้านขอมามากมายอ่าคิดว่าคราว เข้าก่อนเอ่อทําเป็นสันโดษเอ่อก็คือไม่รับ พระภิกษุสาวกแล้วต่างๆนานาด่าว่าพระอัครสาวกเหลนว่าพระอัครสาวกทั้งสองๆให้ฟังพระ <c oughs> พอบอกว่าลูกก่อนโกกลิกจะกล่าวอย่างนั้น พอด่าๆแล้วก็เอ่ออุ่นลาพระพุทธเจ้า <c oughs> ปราหารผู้บริสุทธิ์เนี่ยด้วยเจตนาร้ายกรรมนั้นตามมาทันๆนี้เกิดขึ้นทั่วตัวเอ่อเริ่ม <c oughs> โกกาลีภิกษุเนี่ยก็ต้องนอนบนใบ เออสิ้นชีวิตไปเกิดอยู่พรหมโลกในชั้นสุดทาวาทพรหมเนี่ย <c oughs> แล้วก็มาหาตักเตือนโกคลิกภิกษุนั้นมีความปรารถนาลามกนั้นปราชญ์อุชฌายเห็น เมื่อพระโกคาลิกเนี่ยได้ถึงแก่ความชินเนี่ยอ่า ได้ทำกรรมเช่นนี้แล้วไปเกิดที่อ มันมีความยาวนาน <c oughs> หรือว่ามันนับไม่ถ้วนว่ามันราวนานจะนับเป็นจํานวนปีจํานวนเดือนจํานวนวันอะไรเนี่ยไม่ได้แล้วภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลอีกว่าแล้วก็จะมีโอกาส อ่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอ่าอืมเหมือนกับในมหาสมุทร เหนือพัดไปทางทิศใต้กระแสอรมภายใต้พัดไปปีต่อ โผล่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายมีโอกาสบ้างไหมจากมหาสมุทรนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายมีโอกาสบ้างไหมที่ เรากล่าวว่าการที่เอ่อสัตว์ไป การที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ง่ายๆการที่เราจะ 10 นั้นเรา ตายจากจะรู้ว่าชาติก่อนเกิดเป็นอะไรที่ไหนแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยถ้ามาเกิดเร็วเนี่ยจะ เราทําอะไรไว้เมื่อวานนี้แต่ถ้าเรารึกถึงไปเราก็จําไม่ได้แล้วว่าเราทําอะไรเป็นมนุษย์แล้ว ตายจากมนุษย์ไปแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเนี่ยเค้าไม่ได้มาบังเกิดเป็นมนุษย์ นะทีนี้แล้วเมื่อเราได้มาอัตภาพมาเป็นมนุษย์แล้วเกิด เหมือนกันกันแต่เราไม่มีความศรัทธาในการฟังธรรมเอ่อเพราะคนเราคิด เป็นเรื่องที่น่าเบื่อฟังแล้วไม่สนุกอ่า อ่านั้นเวลาที่เราทุกข์ขึ้นมาเนี่ยเราก็จึงไม่รู้จะหาหนทางอย่างไรมาดับทุกข์ที่เกิดขึ้น เช่นเวลาที่เราป่วยไข้ขึ้นมาไม่สบายอ่าเราก็จะๆเพื่อให้เราปุก ตรวจดูว่าเราทําอันนี้แล้วมันจะสําเร็จ เพราะหรือว่าในประเทศอยู่ในทินทางหรือว่าใน นั่นเราจะเห็นตามวัดวารามต่างๆไม่ค่อยมีการที่จะนําคํา ประชาชนฟังประชาชนไม่ต้องการอย่างนี้อ่าเพราะการที่เราเข้าวัดกันนั้นอ่า สดอกเเคราะห์อ่าต่อชะตาบ้างๆเนี่ยมากมายเออคือ อํามาให้มามาแสดงให้ประชาชนฟังเอ่อเพราะประชาชนเข้าวัดไม่ หาโชคหาราบมาตอบสนองเราเอ่อเข้าไปเพื่อไปประกอบพิธีตัวโชคชะตาราศีพระก็ต้องไปศึกษาวิชา นั้นธรรมะก็จึงเลือนเลือนเอ่อไปจากจิตใจของประชาชนว่าเลือนเลือนไปจากเอ่อ ถึงแม้ว่าสิ่งเหล่านั้นจะไม่ใช่หลักธรรมในพระพุทธศาสนา เราเข้าวัดๆซึ่งไม่เกี่ยวกับหลักธรรมธรรมพระ เอ่อจะประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรม แสวงหาลาภยศสรรเสริญแสวงหาความมั่ง ในในยุคปัจจุบันคนเราไปแข่งขัน ยัญชิงก็มาก็ได้นะเพราะค่านิยม นั้นสังคมในยุคปัจจุบันมันจริงมีแต่ความวุ่นวายประคนแข่งขันกันในเรื่อง เรเรเรเราก็ต้องมีบ้านให้ดีนั้นสังคมทุกสังคม ก็หมกมุ่นมัวมาอยู่ในจริยธรรมอ่ามันมัวแต่แข่ง ในยุคปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันเนี่ยไม่เหมือนก่อนสมัยก่อนที่ว่าบางทีตามบ้านน้องๆเวลา <c oughs> <c oughs> แต่ในยุคปัจจุบันนี้ไม่ค่อยมีนั้น ในการที่จะสอนคนให้เป็นคนดีการที่จะสอนๆมันนั้น สังคมในยุคปัจจุบันจึงขาดในเรื่องของศีลธรรมและจริยธรรมเอ่อต่อไปเนี่ยมันก็จะยิ่งเดือดร้อนวุ่นวายเราจะอยู่กันอย่างลําบากเพราะต่างคนต่าง เอาผลประโยชน์ของตนไว้ก่อนตนเองดีไว้ก่อนอ่าคน ไม่เอื้อเฟื้อเชื้อชานกันไม่มีนั้นสังคมก็จะเดือดร้อนวุ่นวายนันธา ได้เห็นอ่าได้เห็นพระพุทธเจ้าได้เห็นพระธรรมได้ฟังพระ เห็นพระพุทธเจ้าหรือได้ฟังธรรม<อง> ประโยชน์นั้นมันก็เกิดขึ้นกับตัวก่อนแล้วก็สังคมพอตัวได้ประโยชน์ก่อนอ่าที่อะไรคือตัวจะได้ประโยชน์ก่อนอ่าที่เราเห็นเอ่อที่บวชแล้วประพฤติปฏิบัติไม่ดีเราไม่ศรัทธาไม่ เมื่อเราไม่ทําบุญเนี่ยตัวเราพระที่เราเห็นว่า ตัวเราเองไม่มีความศรัทธาตัวเราก็ไม่ทําบุญไม่สร้างความดี นะเฮาได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติหรือว่านิพพานสมบัตินะที่กล่าวแล้ว ก็ก็ทําไม่ดีเนี่ยนั้นการเสียประโยชน์จึงอยู่อาศัยปัญญาพิจารณา จะทําอะไรนี่ขาดปัญญามั้ยล่ะต้องใช้ปัญญาเข้าไปพิจารณาใคร่ครวญดู ถ้าเราไม่เปิดไฟแล้วเราจะมองเห็น จิตใจของเราก็เรียกมันมืดก็ว่าตัวอวิชชามันมืดบอดหรือว่าตัวโมหะเนี่ยเหมือนมืดก็เหมือนกับห้องหรือว่าในสถานที่นี้ถ้าเราไม่เปิดไฟมืดมองไม่เห็นอะไรจิตใจของสัตว์โลกทั้งหลายก็เราถูกโมหะคืออวิชชามัน ไม่รู้ตัวตนของเราว่ารู้ตัวตนของเราว่าไอ้ตัวเราที่มาเกิดเนี่ยมันที่ เมื่อเรามองไม่เห็นอะไรเราเดินไปเดินมาอ่าไปชนอันนั้นชนสะดุดอันนี้หกล้มเราก็ไม่รู้ไอ้สิ่ง ไปทางไหนมันมีภัยอันตรายใดๆเกิดขึ้นนี่ไม่รู้ใครจะดักอยู่ตรงไหนใครดักฆ่าดักทําร้ายเรามองไม่เห็นมันเราแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้ ไอ้สิ่งที่เราตะเยียดไปสะดุดไปชนเพราะเรามองไม่เห็นตามความเป็นจริงอวิชชาคือความมืดก็เหมือนกันเราไม่รู้ความจริงของชีวิตเราไม่ เราไม่รู้ไม่รู้เพราะตามความเป็นจริงวันโทษเวลาโทษเคราะไปโทษ วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารมันดาวศุกร์ดาวเสาร์ดาวอ่าผลฤหัส ทั้งทั้งนี้วันเรche PTSD beegـصلises หรือวันเรche เรางเขาก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าเขาเป็นวันอาทิตย์เป็นวันจรรจ困ดวงดาวทั้งหลาย คstone Report ก็ไม่รู้ว่า Tahcomplica ขาว pinpoint รัก utan bevor rashação 파hshara subscribed to us. already in the mod. transition. Dh pass. PainINed that we receive youth journey in queridos and paving the town.duction.՘ Oscar Sóaman I am calling. riches From a patio. A pure ultimate He familiale. with Poons was a power. For Brains All. To focus. He's a blood center. aprendons. En เข้าว่ามันมีตัวมีตนมันก็เลยยึดถือไปโทษมันเราออกจากบ้านเลิกไม่ดีตัวหรือเวลานี้ เราอะไรปลูกพืชเข้าพอเสาแทรกทําอะไรก็ไม่ดีไม่เจริญมีแต่ เพราะเราก็ด่าไว้คนนั้นคนนี้ ศัตรูมาทางไหนเราก็มองเห็นอ่าให้ทาง ไม่ไปทางนั้นธรรมะคือแสงสว่างสําหรับที่จะส่องทางชีวิตของเราให้ เป็นแสงสว่างแสงสว่างเราจะรู้คุณและโทษของ เมื่อเรามีปัญญาเป็นแสงสว่างแล้วเหมือนเรามีแสงไฟส่องทางเดินเมื่อเห็นสิ่งกีด เปิดไฟความมืดก็ที่ว่าตัวอวิชชาโมหะมันหายไปมันก็เกิดเป็นวิชชาขึ้น อันนี้ก็สายการนั้นถ้าเราฟังธรรมเนี่ยถ้าเราฟังแล้วคิดตามหรือว่าฟังตามหลักธรรม บทปฏกของพระพุทธเจ้าหรือของพระอรหันต์ทั้งหลายๆเดี๋ยวมันลึกซึ้งแต่ใน เป็นสัทธัมมปฏิรูปคือใครมีความคิด คือไม่เกิดปัญญาที่แจ่มแจ้งเข้าใจ ความคิดเห็นมันไม่ตรงกันนะที่ว่า คือไม่ใช่หลักทําไม่ใช่หลักธรรมถ้าหลักธรรมทาง เป็นบ่อเกิดแห่งความทุกข์นั้นผู้รู้ทั้งหลายไม่มีการโต้เถียงกัน หัวช้างเหมือนไม่ฝาดคนไปค่ําถูกขาช้างก็ หางช้างก็บอกช้างเหมือนรูปร่างเหมือนวิปาดไอ้คนที่คํางาก็ว่าช้างเหมือนงอนไทยคนที่คําขามันก็ว่าช้างมีรูปร่างเหมือนต้นเสาก็ต่างคนก็ มันก็เลยโต้เถียงกันไปคนตาดีก็ๆที่เกิดการโต้เถียงกัน เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้